เรามาเรียนธรรมะนะต้องแบ่งกันเหมือนกันจะมาเรียนธรรมะก็เริ่มต้นด้วยกันทําถานแบ่งกันเรียนผูกขาดเรียนย่แต่ก่อนไม่ได้ละสมัยหลวงพ่อสอนแรกๆพวกเราอยากไม่มาเองนะสมัยนั้นวันหนึ่งมีห้าคนสิบคนเองสอนทีละคนทีละคนไดต้ตอนนี้ทำไม่ได้ละ แต่ว่าพวกที่เรียนห้าคนสิบคนนะในภาพรวมเนี่ยสู้พวกมาเรียนทีหลังไม่ได้พวกมาเรียนทีหลังเนี่ยไปได้เร็วกว่าแรกเลยไม่ได้คิดจะพึ่งหลวงพ่อเนี่มันรู้ว่าพึ่งไม่ได้ละอยู่ไกลเหลือเกินอาศัยฟังฟงังซีดีเอาอ่านหนังสือเอาคนไทยเนี่ยได้เปรียบเขาเขาฟังรู้เรื่อง คนชาติอื่นต้องแปลคนจีน่ะลาบากในรุ่นนี้นะต่อไปพอคนจีนเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยคนจีนไปสอนกันเองคราวนี้เขาจะง่ายแล้วถึงวันหนึ่งถ้ า, าศาสนาพุทธหมดใจแบบจากเมืองไทยนะเวลาเราจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนบ้างพวกเราอย่าลำบากต้องไปหัดภาษ า, าจีนก่อนมันไม่แน่นะาศาสนาไม่ย้ายไปเรื่อย เคยอยู่ประเทศนี้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เสื่อมไปไปอยู่ประเทศอื่นหมุนไปเรื่อยๆในเมืองไทยก็ใกล้เสื่อมเต็มปดาแล้วคนสนใจธรรมะมีน้อยเหลือเกินคนสนใจวัตถุสนใจกิเลสเยอะมองไม่เห็นว่าคุณค่าทางจิตใจสําคัญยังไงคิดว่ามีวัตถุมากๆแล้วจะมีความสุขมีเงินมากๆจะมีความสุข คนมีเงินมากๆไม่เห็นมีความสุขเลยวันหนึ่งเขามาลือบ้านหาสมบัติอแย่ลำบากไม่มีความสุขจริงนี่พวกเราอาศัยมีศรัทธาเราได้มาเรียนธรรมะถ้าเราเรียนเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราจะเปลี่ยนในเวลาอันสั้นใช้เวลาไม่นานหรอกถ้าเข้าใจนะ ใช้เวลาไม่นานจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างรวดเร็วเลยความรู้สึกมันจะแปลกๆออกไปเมื่อก่อนเราคลุกคลีอยู่กับโลกเราเห็นเลยว่าตัวเราเป็นศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาล น, นี่เป็นความรู้สึกทั่วๆไปคนแต่ละคนนะก็นึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกเขาขยายให้มาเป็นประเทศนะั้นประเทศเราเป็นศูนย์กลางของโลกอย่างคนจีนตะกอน คิดว่า เ, เมืองจีนเป็นศูนย์กลางของโลกแต่และชายก็รู้สึกอย่างนั้นพอมาพอนานนะเราเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นโลกก็อยู่ส่วนโลกใจอยู่ตะหากเห็นไม่คนละส่วนกันเห็นโลกนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ ใ, ใจมันไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยต้องค่อยๆฝึกเราจะรู้สึกว่าโลกอยู่ห่างออกไปเรื่อยๆ ในโลกมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ใจเราไม่วุ่นวายด้วยเนี่ยจิตที่ฝึกดีนะฝึกมาดีแล้วเนี่ยมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนกระทั่งเกิดในร่างกายเราเองเจ็บป่วยขนมาเนี่ยใจก็ยังมีความสุขอยู่จแก่จะเจ็บจะตายจะพลดัพลดพรากจากสิ่งที่รักเจอสิ่งที่ไม่รักรก็มีความสุข ทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขนี้ได้เพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละเรียนได้เวลาที่พระพุทธเจ้าแสด ง, ง, สดงธรรมให้พวกเทพฟัง่แสดงอภิธรรมให้พวกเทพฟังเนี่ยแสดงอย่างละเอียดเลยละเอียดกว่าที่พวกเราเรียนเพราพวกนี้เขาประณีตกว่เรา เทวดาก็ได้มากผลนิพพานแต่ท่านแสดงธรรมะให้พวกเราฟังเนี่ธรรมะระดับปานกลางไม่ละเอียดเกินไปคนระดับกลางๆอย่างพวกเรานี่ไม่ต้องอัจฉริยะเลยก็สามารถบรรลุมากผลนิพพานได้เหมือนกันเมื่อบรรลุแล้วนะเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกับที่พวกเทวดาบรรลุอันเดียวกันลักษณะเดียวกัน เข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละปฏิบัติได้ให้มีศรัทธาที่จะปฏิบัติสะ ก, ก่อนเรารู้ว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นผลของการปฏิบัติศรัทธาของเราก็ยังคลอนแคลนอาศัยความเชื่ อ, อ่อนกรเห็นครูบาอาจารย์ภาวนา อยางหลวงพ่อนะตั้งแต่เล็กมาเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆเยอะเลยดูท่านผ่องใสดูท่านมีความสุขมีความสงบมีความร่าเริงสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบง่อยๆไม่ใช่ร่าเริงกะดีกระดามีความสงบแต่ร่าเริงเห็นท่านแก่นะบางองค์อายุเป็นร้อยเลยท่านก็ยังสงบสุขมีความสุขอยู่ เคยเจอครูบาอาจารย์อายุเก้าสกว่าเนี่ยหลายองค์มางองค์อายุตั้งร้อยร้อยกว่าอย่างที่ขลุงนะมีองค์หนึ่งเคยเข้าไปกราบท่านตลงปู่คร่ำไม่ธรรมดาคนนึกว่าเป็นพระเกจิเสกนนเสกนี่ล้น้ำมนต์ความจริงราวนาเก่งใจท่านดีมากเลยอายุตั้งร้อยกว่าปีสดชื่นแจ่มใส พวกเราคาวาดนะยุห้าสิบหกสิบฮะอัลไซเมอร์กินเงินเป็นแถวนะสมองเสื่อมนังน้งนอย่างนี้เราเห็นครูบาอาจารย์มีความสุขแต่ละองค์แต่และองค์บางองค์นอนป่วยอยู่ก็ยังสดใสมีความสุขเห็นอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเออถ้าภาวนาดีๆนะ มันมีผลที่แตกต่างจากคนไม่ภาวนาคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัตินะั้นมันแตกต่างกันเราเห็นอย่างนี้เราก็อยากปฏิบัติพอลงมือปฏิบัตินะหากรักษาศีลไม่เคยรักษาศีลมหารักษาศีลถ้ารักษาได้สักสามเดือนนะใจจะเปลี่ยนใจจะเปลี่ยนใจมจะมีแรง มีความสดชื่นเบิกบานแค่นึกถึงศีลสมาธิก็เกิดละงั้นอย่างบางคนถือศีลตอนเข้าพรรษาตั้งใจเข้าพรรษาจะไม่กินเหล้าอย่างี้ถือได้สามเดือนชิดใจจะมีพลังมากเลยมันตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วทำสำเร็จก็จะเห็นว่าตัวเองเปลี่ยนไป เคยรักษาศีลยากก็รักษาศีง่ายแล้วเห็นว่าการรักษาศีนนาความสุขมาให้เพื่อจะมีศรัทธาในการรักษาศีนคนไม่เคยทำสมาธิทาสมาธิจิตรวมจิตรวมได้นะโมีความสุขมากคราวนี้ยิ่งเชื่อใหญ่แล้วภาวนาแล้วดีทำสมาธิได้ดีทำสมาธิได้บุญมากกว่ารักษาศีนนะ อย่างถ้าเราทำทานทำทานให้เงินพระให้เงินคนอะไรเงี้ยทำทานก็เป็นบุญถ้าเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยได้บุญมากกว่าทำทานอีกถ้เรามีสติขึ้นมาได้บุญเยอะเลยมีศีลได้บุญมากกว่ามีศรัทธามีสมาธิก็ได้บุญมากกว่ารักษาศีลอีกมันเป็นชั้นชนไป ถึงขั้นมีปัญญาเนะมันเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่เราเห็นประโยชน์อย่างเรารักษาศีลฝืนใจรักษาอยู่ช่วงเราเห็นว่าจิตใจเราดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นสามารถต่อสู้อยู่กับโลกได้ดีขึ้นอิมโอวิมใจเรามาฝึกสมาธิทุกวันไหวพระสวนมนต์ทำสมาธิสักอย่างหนึ่ง ใช้อารมณ์กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่พวกเราถนัดใครถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธใครถนัดหายใจใช้ลมหายใจบางคนก็ใช้วิธีสวดมนต์เนาะสวดอิติปิโสคนจีนก็จะสวดภาษาจีนก็ได้ภาษาอะไรก็เหมือนกันหมดไม่มีความหมายอะไรนะคือเป็นเครื่องให้จิตใจมาจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียว อย่างในเมืองไทยก็มีบางคนนะคนไทยแท้ๆเลยชอบสวดคาถาเจ้าแม่กวนอิมอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันหมดนะอะใจมันมีเครื่องอยู่ในอารมณ์มันเดียวใจมันมีความสุขมีความสงบมันได้ริมรถของธรรมะธรรมะเป็นขั้นขั้นขั้นไปธรรมะของคุณงามความดีส่วนธรรมะฝ่ายชั่วเราลิมรถมาเยอะละ เราตามใจกิเลสมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วยิ่งตามใจยิ่งหิวรู้สึกไหมกิเลสเนี่ยเราตามใจมันเรายิ่งหิวนี่ตามใจธรรมะฝ่ายชั่วก็ลองมาฝึกธรรมะฝ่ายดียิ่งได้สัมผัสยิ่งอิ่มไม่ใช่หิวมันเต็มอิ่มอยู่ในใจเราธรรมะฝ่ายชั่วทำให้หิวไม่เลิกแล้วอยากดูหนังไปดูหนังนะเดี๋ยววันหลังก็อยาอีก อยากกินน้อนกินนี่นะเดี๋ยวก็อยากอีกอยากมีเมียหนึ่งคนเดี๋ยวก็อยากมีสองคนสามคนไปอีกมันหิวไปเรื่อยธรรมะฝ่ายชั่วทำให้หิวธรรมะฝ่ายดีนะมีทานมีศีลมีสมาธิมีการเจริญปัญญาทำให้เราเต็มอิ่มใจมันเต็มใจมันอิ่มมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขใจที่หิวจะยิ่งดิน้นเหมือนคนหิวนะต้องดินน้นรน ใจมันเต็มอิ่มนละมันได้สบายมีความสุขอยู่ในตัวเองแ้วเราจะมาฝึกยกระดับใจของเรานะให้มันเต็มอิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่เดิมมันหิวตลอดเวลาหิวด้วยความอยากนั่นแหละมันอยากเห็นรูปมันอยากได้ยินเสียงมันอยากได้กลิน่นมันอยากได้รสมันอยากได้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายดีๆ มันอยากได้เรื่องราวทางใจที่สนุกสนานเพลิดเพลินให้มันหิวอารมณ์หิวในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพ้าในธรรมอารมณ์หิวก็ดิ้นไปเรื่อยๆให้เรามาฝึกจิตฝึกใจด้วยคุณงามความดีด้วยธรรมะฝ่ายดีใจจะค่อยๆ อ, อ, อิ่มค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้นพลังของจิตมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่ง ซึ่งศีลของเราบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์มีศีลอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติบุญบารมีมันพออริยมรรคก็เกิดพวกเราอย่ามรกง่ายนะว่านั่งหลับหูหลับตาภาวนาไปเรื่อยๆทั้งวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลศีลไม่ต้องรักษาสมาธิไม่ต้องทําคุณงามความดีอะไรไม่ต้องเอาเไม่ได้หรอก บารมีทั้งหลายต้องสะสมทั้งหมดเลยฐานะบารมีศีละบารมีเมตตาบารมีเนกขมะบารมีเนกขมะคือออกจากกา ร, รออกจากกา ร, รยังไงอย่างเราเป็นคลาุ่วาด์ก็อย่ามวัวแต่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสมากนักนะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแค่พออยู่พออาศัย แย่เพลิดเพินอยู่ตลอดเวลาอีานั้นเรียก ว, ว่าหลงในกรรมถ้าไม่ติดอกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธะ mm hmm. ก็เรียกว่าเราสร้างเนกขมมบารมีบารมีในการออกจากกรรมมีสัจจะก็าพูดคำไหนก็คำนั้นนะมีสัจจะก็เป็นบารมีมีขันติความอดทนอดกลั้น ก็เป็นบารมีค่อยๆสร้างไปมีปัญญาหัดเจริญปัญญาแยกรูปแยกนามดูธาตุดูขันธ์ทำงานบารมีทุกๆตัวจะช่วยหนุนช่วยเสริมให้จิตมีพลังเวลาที่จิตจะก้าวไปสู่โล ก, กุตระภูมิต้องอาศัยพลังฝ่ายดีนี่อันมหาศาลมารวมตัวกัน คุณงามความดีทั้งหลายนะั้นมารวมตัวกันที่เดียวลงที่เดียวเลยลงที่จิตลงในขณะเดียวกันด้วยไม่ใช่เดี๋ยวก็มีทานแล้วก็ไม่ทานมีศีลไม่มีศีลอย่างนี้ความดีทุกตัวมันรวมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้เจตนาให้รวมมารวมเองนะเพราะบารมีมันเต็ม อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นมีกระบวนการที่จิตเข้าไปล้างกิเลสส่วนลึกล้างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สนะล้างแล้วกิเลสส่วนลึกถูกฆ่าตายไปลำดับลาดับไปแต่อสาาวกิเลสเนี่ยมันยังครอบคลุมจิตอยู่แทรกซึมอยู่ในจิตอยู่ถึงครั้งที่4ี่ขาดออไปอาสวะขาด ทำไมอาสวะขาดเพราะอวิชชาขาดทำไมอวิชชาขาดเพราะอาสวะขาดอาศจรนะตรงเนี้ยอวิชชาเป็นปัจจัยของอาสวะอาสวะเป็นปัจจัยของอวิชชาเังนัเลาขาดขาดตรงนี้เองอาสวะขาดนียกิเลสจะเข้ามาย้อมจิตไม่ได้อีกต่อไปแล้ว อาสวะเป็นตัวที่ดึงดูดให้กิเลสเข้ามายอมจิตเองก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องมาพัฒนาตัวเองเป็นลำดับลำดับสำรวจตัวเองความชั่วอะไรยังมีอยู่เราก็ลดละซะความดีอะไรยังไม่ได้ทําก็ทําซะค่อยๆดูสำรวจตัวเองก่อน ก่อนที่เราจะทํางานใหญ่สักเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาวนาเนี่ยงานใหญ่นะเป็นงานทําลายวัตตะลงไปทํำลายมารที่ครอบงำหัวใจเราลงไปเป็นงานที่ยากมากเลยงานใหญ่เราต้องมาสํารวจเรามีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดแข็งอะไรเรียกว่ารู้ตัวเองซะก่อนมีจุดอ่อนก็คือเราจะมีกิเลสอะไรรุนแรงต้องสู้กับกิเลสนั้นยังไงเรามี คุณงามความดีอะไรอยู่บ้างในตัวเองจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงอย่างบางคนทําทานบ่อยๆทาทานมาตลอดแล้วก็เวลาทําทานเขาอยากได้นะจะประคุณชา้นหน้าให้รวยๆอย่างเงี้ยมาต่อยอดทําไงให้เห็นใจที่โลภต่อยอดได้ละก็จะทําทานได้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ทําด้วยโลภแต่ทําเพราะว่าเห็นว่าสมควรจะทำํำช่วยเหลือคนอื่นนย่ี้ เคยรักษาศีลแล้วก็กูเก่งกูเก่งก็จะเห็นเลรักษาศีลไม่ใช่เพราะ ก, กูเก่งหรอกเพราะ ก, กูกลัวความชั่วต่างหักถ้าไม่มีศีลแล้วก็จะทำบาปมากุศลได้น่ากลัวน่าละอายใจที่จะทำชั่วกลัวที่จะรับผลของความชั่วแล้วค่อยๆสังเกตไปถ้าเรามีศีลใจเราร่มเย็นเป็นสุขเราเห็นคุณค่าของศีลอย่างนี้ นี่เป็นปัญญาที่จะทำให้เรารักษาศีลได้ดีขึ้นเรารู้ทันกิเลสได้บ่อยขึ้นเราก็จะรักษาศีลได้ดีขึ้นค่อยๆพัฒนาจนสีนัตโนมัติศีนัตโนมัติจะเกิดต่อเมื่อเรามีสติอัตโนมัติในการรู้กิเลสที่เกิดขึ้นให้กิเลสเกิดปุ๊บสติรู้ปับ๊บสีนัตโนมัติจะเกิดเราเคยนั่งสมาธินะ น, นั่งโอ้ยสงบบ้างไม่สงบบ้าง เราก็พัฒนาขึ้นมาเราก็เห็นเลยโอ้ที่นั่งแล้วไม่สงบเพราะนั่งด้วยความโลภอยากสงบไม่สงบหรอกใจมันโลภแล้าสังเกตไปรู้เท่าทันก็ฉลาดในการทำสมาธิน้อจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่รู้อยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขแวบเดียวก็สงบแนละ้ว จะชำนาญ น, นะจะทําทจิตให้สงบเนีใช้เวลาพลิบตาเดียวก็เข้าที่ได้ละค่ฝึกจนมันเป็นวสีชํานาญนี่พวกเราเวลาส่งสมาธิไม่ต้องส่งนานมากเราเป็นคารวะให้ใจได้พักแวบหนึ่งออกมาเราก็มีแรงที่จะมาต่อสู้กับโรคต่อไปได้อีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพอเราพัฒนานะ สมาธิเราก็ดีขึ้นต่อไปจไิตแจมอยู่กับตัวเองก็ค่อยสังเกตฝีว่าเวลาใจมันเคลื่อนไปใจไม่มีสมาธิเมื่อ ใ, ใจมีสมาธิใจไม่ได้เคลื่อนไปไหนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อาศัยสติรู้ทันใจที่เคลื่อนพารู้ทันใจที่เคลื่อนสมาธิอัตโนมัติเกิดมทีแรกก็ต้องฝึกยากมากเลยกว่าจะสงบต่อไปนะแค่เห็นจิตเคลื่อนปุบสงบปั๊บเลยเนี่ยชำนาญมากขึ้นมากขึ้น หรืออยากจะทําความสงบนั่งก็น้อมใจอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขปุ๊บเดี๋ยวมีความสุขละใจมีความสุขมีความสงบอยากทําสมาธิชนิดตั้งมั่นก็รู้ทันใจที่เคลื่อนใจเคลื่อนปุ๊บ ร, รูบ้ปับใจก็ตั้งมั่นอัตโนมัติไปหรือปัญญาในะที่แรกปัญญาเราไม่มีเราอาศัยปัญญาจากการอ่านการฟั ง, ฟงครูบาอจารย์การานพระไตรปิฎก อ่านแล้วเราก็โอ้มีปัญญาจากการฟังอันนี้ยังสู้กิเลสไม่ไหวมีปัญญาจากการคิดพิจารณาธรรมะก็นะเป็นปัญญาอีกแบบหนึ่งคิดถูกบ้างผิดบ้างไปตามเรื่องอนะย่างฆ่ากิเลสไม่ตายมาถึงปัญญาจากการเห็นความจริงของกายของใจปัญญาจากการเห็นความจริงของรูปนามเป็นภาวนามายปัญญา ปัญญาตัวนี้ฆ่ากิริฏ ต, ตายเป็นปัญญาชั้นสูงพ อ, อนายม่ยปัญญาจะเกิดได้ยังไงอาศัยสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจในขณะที่รู้ทันนั้นใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเรียกว่ามีสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นคนดูแล้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางปัญญาก็จะเกิด ก็จะเห็นความจริงของรูปนามว่ามันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยก่อนจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องหัดแยกรูปแยกนาม ใ, ให้เห็นในร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกส่วนหนึ่งความดีความชั่วเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกเคียงกันใจเป็นคนดูใจเป็นคนดูได้แล้วต่อไปก็จะเห็นเลยร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตใจ จะเป็นความสุขความทุกข์ความดีความชั่วหรือความรับรู้ต่างๆเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปสั่งก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม <led. darauf. jazz. |uz|>. ่ได้เนี่ยจะเห็นอย่างนี้เรียกว่าการเจริญปัญญาอยู่เจริญวิปัสสนาปัญญาพอเห็นมันมากพอนะเนี่ยศีลก็ทำมาดีแล้วอัตโนมัติแล้วสมาธิก็อัตโนมัติแล้วปัญญาก็อัตโนมัติแล้ว เวลากิเลสเกิดจะทำผิดศีลสติรู้ทันปับ๊บกิเลสดับอัตโนมัติเวลาจิตจะเคลื่อนเผลอไปอยู่ในโลกของความคิดมีสติรู้ทันปุ๊บจิตไม่เคลื่อนจิตตั้งมั่นอัตโนมัติก็จิตตั้งมั่นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้โดยไม่ได้เจตนารู้อัตโนมัติ มีอะไเกิดขึ้นในจิตใจสติรู้โดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนารู้เช่นโกรธขึ้นมาไม่ได้เจตนารู้ว่าโกรธก็รู้ว่าโกรธแล้วเห็นว่าความโกรธมันอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธมาได้เองไปได้เองสั่งไม่ได้เนี่ยมันอัตโนมัติไปหมดเลยนะถึงจุดที่มันอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วนะวจิตมันทางานเองไม่ได้ทาอะไรแล้ว ถึงชุดนี้จิตมันทำเองนะศีลก็มีเองสมาธิก็มีเองปัญญาก็เดินเองไม่ได้เจตนาเดินปัญญาซ้ำๆไปจิตย็เข้าสู่ความเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาไม่ใช่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยสติและด้วยสมาธิเบื้องต้นกลางด้วยสติด้วยสมาธิเบื้องปลายเป็นกลางด้วยปัญญา แบุญบา ร, รมีมากพอสะสมมามากพอจิตจะรวมลงที่จิตและกระบวนการของอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเกิดเองเกิดอัตโนมัติไม่มีใครสั่งให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตจะบรรลุของจิตเองแต่จิตอยู่ๆจิตไม่บรรลุเองหรอกพวกเราต้องเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาให้มากแตกฉานในจิตของตนเอง อริยมากถึงจะเกิดนะแตกฉานเรื่องอื่นก็ธรรมดานะแต่แตกฉานในจิตตนเองเนี่ยเรื่องใหญ่เลแตกฉานในจิตตนเองนะขั้นสุดท้ายเลยขั้นสูงสุดเลยคือเห็นความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์นะีวัตถสงสารนีสารสารวัตรนี่จะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราในขนาดนั้นเลยนะ ถ้ายังไม่เห็นว่าจิตในเป็นตัวทุกข์ยังเวียนว่ว้ไต่เกิดยังหวงจิตอยู่รักจิตนะไม่รักกายแนละ้แต่ถึงชุดนั้นรักจิตไม่รักกายแต่ว่ามีจิตอยู่ดวงเดียวเนี่ยมันเป็นงอกกายขึ้นมาได้อีกจิตดวงเดียวนะี่ไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกพระเจ้าสอนวิญญาณนะปัจจยานามรูปปังวิญญาณนะปัจจยานามรูปปังวิญญาณคือตัวจิตนะเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป สร้างนามรูปได้ตัวจิตนั่นแหละเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้เมล็ดพันธุ์นี้ไปตกลงไปที่พื้นมีน้ํามีแสงมีอะไรพอก็งอกเป็นต้นไม้ขึ้นต้นใหม่ขึ้นมาก็มีเมล็ดสืบทอดไปได้อีกอาศัยจิตดวงเดียวที่ยังมีเชื้อพันธุ์อยู่เมล็ดพันธุ์บางเมล็ดก็มีเชื้อพันธุ์ที่ดีงอกต้นไม้ที่ดี มเมล็ดพันธุ์บางชนิดมีเชื้อไม่ดีก็งอกต้นไม้ที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์ขึ้นมาจิตนี้ก็เหมือนกันจิตที่ดีก็งอกขันห้าที่ดีขึ้นมาจิตที่ไม่มีบุญวาสนาพอก็งอกขันห้าที่เลวออกมาจิตที่ไม่มีศีลมีธรรมหล่อเลี้ยงงอกขันห้าที่น่าเกลียดไม่สวยไม่งำเราต้องมาค่อยๆนะค่อยๆล้าง สิ่งเร็วๆออกจากจิตพัฒนาสิ่งดีๆจนเป็นต้นไม้ที่ดีถึงวันหนึ่งทำลายต้นไม้ลงไปทำลายเมล็ดพันธุ์ลงไปเหมือนที่ไวหลังบอกนะไม่มีต้นโพไม่มีต้นโพไม่มีกระจกนะไม่มีกระจกก็ฝุ่นจับไม่ได้ตัวกระจกก็คือตัวจิตเองยังมีจิตอยู่ยัเป็นที่รองรับอยู่ทำลายกระจก ไม่มีกระจกฝุ่นก็ลงจับไม่ได้โพธิความสรัสรู้ก็เกิดขึ้นในจิตแล้วค่อยๆดูไปงั้นเบื้องตน้นตั้งใจถือศีลห้าไว้ก่อนทุกวันฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปพุโทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทัน จิตเคลื่อนไปจ้องลมหายใจรู้ทันนึงจะได้สมาธิขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆหัดแยกเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนอนอะไรเงี้ยใจเป็นคนดูร่างกายยิ้มใจเป็นคนดูร่างกายหน้าบึ้งใจเป็นคนดูค่อยๆหัดไปก็จะเห็นใ น, ในกายกับใจเป็นโคราชเดี๋ยวค่อยเดินปัญญาละเอียดขึ้นไปรเรื่อยๆ งั้นเบื้องต้นรักษาศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบค่อยฝึกรู้ทันเวลาจิตมันลงไปไหลไปแล้วก็ค่อยสังเกตว่ากายก็อันนึงใจก็อันหนึง่งดูได้ละเอียดขึ้นก็จะเห็นว่าความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งความโลภโกรดหลงก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งใจเป็นคนดูเดี๋ยค่อยๆหัดแยกไปเนี๋ยปัญญาก็เกิดออก พอแยกได้แล้วมันจะเห็นว่าแต่ละอันแต่ละอันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะอันนี้เป็นภาพรวมนะว่าเราจะทําอะไรต้องทําอะไรบ้างทําไมต้องทำํำนะเราต้องพัฒนาศีลพัฒนาจิตให้เกิดสมาธิพัฒนาจิตให้เกิดความรู้ด้วยปัญญาเนะนี่เป็นการพัฒนาจิตใจทั้งนั้นเลยนะเอาต่อไปไปกินข้าวก่อนนะ นี่หมดเลยครับ